สติเจสิกเป็นเอกคตาเจสิกเป็นสมาธินรีไหมปัญญาเจสิกก็เป็นปัญญินทรีย์สรุปโอ้ยตอนนี้จะเดินอินทรียห้านี่แหละเห็นไหมเห็นในความเป็นอินทรีย์อย่างแต่เนี้ยและลึกถึงคุณของพระพุทธมีพาะเจ้าจะพ่อพูนอินทรียคือสัตทินรียวิริยินรียสติินรียสมาธินทรียปัญญินทรียนะเออจะเอาอินรียเหล่านี้เดินตามร่องลามลอยโดยมีเวทนาเจตสิกเกิดรูป มีมณินทรีย์ที่เป็นมหากุศลน่ะกําลังจะระลึกถึงมหากริยาญาณสัมปยุที่เรียกว่าสัพพัญญายานใช่ไหมนี่พิจารณาอย่างนี้ก็เห็นด้วยความเป็นอินทรีย์นาะโอหเราจะเห็นเลยที่อินทรีย์ไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงลแล้วเนี้ยโอหถ้าคิดอย่างนี้ตั้ง น, นั้นน่าจะเล็กันกแล้วไม่ยอมยือน่ลยนะ จะแยกอะไรอีกเอาปฏิจจาร์เนี่โอ้โหปฏิจจาระบาปจะแยกยังไงปฏิจจารถามว่าเออมหากุศลที่มีเจตนาเป็นประธานก็ได้นะเอาเจตนาเจตสิกในมหากุศลจิตุบาทนั่นแหละที่ไปพิจารณาคุณของพระพวกเมีพระเจ้าไปพิจารณาสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เจตนาเจตสิกเหล่านี้ย เกิดขึ้นมาแล้วเจตนาเจตสิกเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยนอเนอวิชาหรือเปล่าโอ้เห็นปฏิจจตรแล้วเนาะแม่เจตนาตรงนี้ที่กำลังไปพิจารณาพิจารณาคุณของพระเจ้าก็ยังไม่พ้นจากเจตนาที่เป็นผลของอวิชชาเพราะความไม่รู้นี่แหละเราจึงต้องตั้งมั่นในเจตนาในการที่จะระลึกถึงคุณของพระเจ้า แต่ก่อนเราไม่ระลึกในคุณของพทะเจ้ามาอย่างยาวนานเจตนาของเราก็หกคำมีนตรีรังกาตามไม่ทันสัมมาสัมพุทโธอยู่เลยแม้ตามไม่ทันพระเจ้าแล้วก็ปล่อยให้สังกระแสะของสังสารวัตมันเดินอย่างนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางเดินอย่างน่ากรุณาเหลือเกินน่ะน่ากรุณามากถามว่าถ้าเอากระแสะของนามลูกเหล่านี้นะของปฏิจารเนี้ของขันธ์ธาตอญาตนะอินทรีย์ปฏิจจาเอาไปเดินในใบพุมิสักสามชั่วโมง เป็นยังไงมากกว่าความทุกข์ในมนุษย์โลกหกสิบปีต้องไปเดินดูสักพักหนึ่งแค่สามชั่วโมงของนรกฉะนั้นเราจะยอมเดินใช่สัตว์ทินสีในพระเจ้าสักสามสิบปีเนี่ยเอาจ ร, จริงจิงจังเนี่ยแลกกับความทุกข์ในอายภพรมทำไมไม่ตอใช่ไหมเออใช่ไหม สามสิบปีเนะี่ยเราจะไปทุกในนรกสามชั่วโมงเนะี่ยมันเท่ากันอย่างเงี้ยทําไมไม่กล้าแลกทําไมไม่กล้าแลกถ้าเราไม่เดินเนะี่ยเราไปทุกแนะ่เราไปต้องไปอยู่สามชั่วโมงในนรกแต่เท่ากับสามสิบปีในโลกมันรู้สมมุติคิดแบบง่ายๆเนี่ยแต่จริงมากกว่านี้หกสิบปีทีนี้ถามว่าชีวิตที่เหลือไม่ถึงสามสิบปีกันทั้งนั้นที่นั่งๆกันอยู่เอาสิใช่ไหมไม่ถึงสามสิบปีเลยเรต้องตั้งแล้ว ถ้าใครถึงก็ยกมือทั่วมือนึกถึงพุทธคุณไม่เจอเนี่ยถ้าสามสิปีจะคิดยังไงจะไหมถ้าบวกไปอีกสามสิปีจะคิดถึงพุทธคุณยังไงแก่ปันนั้นคิดไม่ออกแล้วมีสมองก็มีฟองหมดแล้วเลยคิดพุทธคุณไม่ได้ไม่อยากคิดอะไรใจเราหมกมุ่นเรื่องอะไรไม่ไปเรื่งนั้นเชื่อเฟรย์จกลายเป็นคนเกรี้ยกล่อมจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้อย่างใจ นี่ไงใช่ไหมลองเอาสามสิบมาบวกสักห้าสิบมันก็กลายเป็นแปดสิบสามสิบมาบวกกับหกสิบมันที่ปลาก็ได้ไรหกเก้าสิบไหวไหมเนี่ยเก้าสิบเนี่ยบอกกันยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินกันอยู่นี่แหละเ <c oughs> ข้าห้องน้ำยังไม่ได้เข้านี่ไงมันแน่ากลัวอย่างเงี้ยยอมทุกไปในการที่เราจะตั้งมัน่นในการที่จะน้อมถึงคุณพระเจ้าถ้ามันยังไม่เห็นใช่ไหม ก็น้อมเรื่อยๆใครควรพิจารณาศึกษาฟังทำไม่ได้เอาไหม่ตั้งใหม่ไม่ได้เอาไหม่ oh my, ตั้งใหม oh my, อ่อยู่นั้นน่ะเราบอกว่าเราต้องคิดให้เป็นนะว่าเราจะไปทุกข์ในนรกสามชั่วโมงเท่ากับสามสิบปีในโลกมนุษย์ใช่ไหมเท่ากับหกสิบปีในโลกมนุษย์มันไม่คุ้มเลยนะถ้าเราจะมาโมว่วปล่อยเฉยๆอย่างเงี้ยก็เพี้ยนเขาเขาทเล่งกันอย่างนี้ เขาที่ก็าต้านความเพียรกันได้เคยคิดแบบนี้ไหมถามว่าจะคิดอย่างนี้จะปลุกเรามากขึ้นปลุกเรามากขึ้นสรุปแล้วเราก็คือเราเนี่ยเป็นสัตว์ในอบายกันนั้งนั้นแหละในอดีตเนี่ยเราผ่านมาอย่างยาวนานแล้วทั้งนั้นก็พ้นทุกข์กันแล้วใช่ไหม โอ้โหเราเจ็บปวดมานานแล้วแล้วไม่ยอมโจทยอมจำอะไรกันเลยเนี่ยเอาใหม่นะเอาใหม่เรื่องรู้จะเอาใหม่กด้อีกกี่ครั้งเราด้วยเนี่ยนก็ก็ก็ลักษณะนี้เจตนานี่แหละเป็นผลของอวิชชาเหตุของสังขารคืออวิชชาสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ไ้มวิญญาณก็มีอสังขารเป็นปัจจัยนามโรคก็มี วิญญาณเป็นปัจจัยสรายตนาคือตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจก็มีงามรูปเป็นปัจจัยภาษาก็มีสราญตนาเป็นปัจจัยตัณหาก็มีเวทานาเป็นปัจจัยอุปาทานก็มีตัณหาเป็นปัจจัยเพราะก็มีอุปาทานเป็นปัจจัยชาติก็มีพบเป็นปัจจัยชารามรณาโศกาพริเดวะทุกขธรรมนสรัสสและอุปาญาตมีเพ่อชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นในกองทุกข์ทั้งมวลมีได้ด้วย อาคารอย่างนี้เห็ น, ห น, นยยไหมแล้วจะไล่ในลักษณะยังไงเราจะไล่ในลักษณะบอกโอ้เจตนาคือสังขารเนี่ยที่เป็นไปในมหากุณที่ระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเนี่ยมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะเมื่อเอาเหรอไแล้วก็มาพิจารณาเป็นไปตามด่าบว่าเจตนาเนี่ยนะถ้าเราไม่ออกจากวัตฏานี่นะเจตนาเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ เพาะนั้สังขารก็จะเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมีปฏิสุลที่วิญญาณในกามาพบเป็นต้นปฏิสุลที่วิญญาณเป็นต้นเหล่านั้นหรือว่าดวิญญาณมันก็เป็นปัจจัยเกิดนามใช่ไหมนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยเกิดอายะชนะมีตาหูจมูกนิ้นกายใจอายะนะก็เป็นปัจจัยเกิดภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่พบพบก็เป็นปัจจัยแก่ชาติชาติก็เป็นปัจจัยแก่ ชรามราณะโสกกาบริเดวทุกขโทมนาจารอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุ ก, ทกแท้แท้ทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้มหากุสุนี่ใช่ไหมที่มีเจตนาศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นต้นนี้ที่มีเจตนาศรทาทาัทธาเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่กําลังระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ในจวงเขาเองก็เป็นปฏิจจ์แม้ในจวงเขาเองนี่นะก็เป็นปฏิจจสมบัติธรรมนั่ทนที่ได้กล่าว ถ้าจะไล่ตัวเขาเองจริงๆนั้นเป็นปฏิจจสมบัทิยังไงออกเอาจะเป็นยังไง้ เ, เจตนาใช่ไหมเจตนาดอนนั้น่ะเป็นสังขารนะเพราะเจตนาคือเจตนาเจติกที่ไหนมหากุศลจิต ด, ดวงที่นั้นดวงที่หนึ่งดวงที่สองเลยเป็นเหตุแล้วใช่ไหมวิญญาณคือมหากุศลจิตุบาทจึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณคือมหาอุศุจิตุบาต เป็นเหตุแล้วนามคือเจสิกันสามคือเวทนาสัญญาสังขาร 3, ที่เกิดประกอบกับมหาบุญจิตุบาตจึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณคือมหาบุญจิตุบาทด้วเป็นเหตุแล้วใช่ไหมเพราะนามนี่คือมหาบุญจิตคือคือเจสิกันสามที่ในมหาบุญจิตุบาดวนึน่งเป็นเหตุแล้วฉัฏฐายัตนะก็คือมนายัตนะก็คือมหาบุญจิตจิตุบาทเนี่ยจึงเป็นจึงเกิดขึ้นเพราะฉัฏฐายัตนะคืออายัตนะที่หกคือมนายนะ คือมหาสุนจิตวัตดงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วใช่ไหมผัสสะคือภัษาเจสิกที่ในมหาอุสุนจึงเกิดขึ้นเพราะผัสสะที่ในมหาอุสุนนะเป็นเหตุแล้วใช่ไหมเวทนาคือเวทนาเจสิกจึงเกิดขึ้นเพราะเวทนาคือเวทนาเจสิกที่ในมหาอุสุนนั้นเกิดขึ้นเป็นเหตุแล้วอะไรอะไรแทนตัณหาดีอะไร นั่นแหละเกี่ยวในเรื่องของศรัทธาเห็นไหมศรัทธานเป็นสภาพมน้อตอนนี้ศรัทธาที่น้อมถึงคุณของพระเจ้านั้นจึงเกิดขึ้นศรัทธาก็คือศรัทธาเจตสิกที่ในหมากุสระจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วอุปาทานก็คืออาทิโมกที่ในหมากรุสระจิตดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นเพราะอาทิโมกคืออาทิโมกเจตสิกที่ในหมากรุสระจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วอ อุปาทานแลว้วก็ภาวะเห็นไหมภาวะในที่นั้นก็เอากรำ ม, มาภาวะคือเจตนานเนี่แหละที่ในมาหาอุสุจึงเกิดขึ้นเพราะกรร ม, มาภาวะคือการหมาคือกิริยาเนี่ยคือเจตนาที่ในมาหาอุสุเป็นเหตุแล้วแล้วก็ชาติชาติคือการเกิดขึ้นของมาหาอุสุนจิจุบะจึงเกิดขึ้นทั้งจิตและเจตสิกินเกิดขึ้นเพราะชาติคือกะคืออุปาทกนาของมาหาอุสุนจิจุบะเป็นเหตุแล้วชราเหนไหม และมรณ ะ, ะคือถีติและพังค้าของหมาขุศลจิตรบดดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งของทุกข์ทั้งมวลมีได้มีปัจจัยต่างๆมีเจตนาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เห็นไหมว่าแม้กระแสของนามธรรมที่เป็นไปจากการปรารบของคุณของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าทุกขสัตว์เพราะยังเป็นโลกียะแต่เป็นทุกขสัตย์ในฐานะที่ควรจะเร่งดําเนินเพื่อให้เป็นมรรคสัตวิที่ถาวร เป็นโลกุตละมากรกษะนี้ด้อันนี้เป็นมาริย์ด้วยและเป็นทุกข์ด้วยควรรอบรู้ด้วยว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลไประลึกว่าแท้ที่จริงเป็นกลุ่มของสัจจะที่อยู่ในขอบข่ายของทกษัตริย์ทนั้นที่ไประลึกถึงคุณของพทธเจ้านี่เริ่อเข้าใจแล้วเห็นไหมเออแท้ที่จริงเขาก็เป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้่เข้าใจอย่างนี้ชัดไหมอย่างเนี้ยก็จะเห็นชัดอันนี้สายสายเกิดถ้าดับได้สิไม่ใช่ ถ้าสายดับก็ปัญญาเจตสิกที่ในมหากุศสลจิตเนี่ยชื่อวิชาไหมชื่อวิชาชื่อวิชาเมื่อวิชาเกิดอวิชาดับไหมเอวิชาดับเพร่อวิชาดับแล้วอะไรดับสังขารก็ดับสังขารดับพร่อวิชาดับนะวิญญาณดับเพราะสังขารดับนามรูปดับเพ่อวิญญาณดับสราญตนาดับข้าพเจ้านามรูปดับใช่ไหม เวทนาดับกระเพาะภาษาดับตัณหาดับกระเพราะเวทนาดับอุปาทานดับกระเพราะตัณหาดับภพดับกรเพาะอุปาทานดับชาติดับกระเพราะอุปาทานดับชรามรณะโศกกาลวิริเดวทุกขโทมนะเสาวายาดับกระเพาะชาติดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยอาการอย่างนี้หมายถ้าดับอย่างถาวรนะโอ้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมก็ไปพิจารณาในลักษณะนี่ลงปฏิจจาริยังพอลงปฏิจจาอย่างนี้เห็นอริยสัจด้วย ละราค า, าโทรศัพ์โมหาลี้ยังก็ละได้แกิแตท่ทางข้าประหารเกิดความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าถามว่าไปแยกแยะบ่อยไหมแบบเนี้ยี่นะคิดยากไหมสมาสารพุธเริ่มไม่ยากใช่ไหมโอ้ถ้าบรรลุในนี้ได้ไม่ธรบบ ร, รมดากันหนึ่งใช่ไหมเนี้ยนี่แนวทางการบรรลุได้แนวทางในการแทงตลอด ถ้าควรจะเกิดความเข้าใจท่องแท้เห็นตามความเป็นจริงในส่วนยิ่งเห็นโทษของสังหารจริงๆ<อ>ทีนี้ที่พึ่งอ่ไหมแล้วลึกถึงคุณของพระเจ้าจิตก็น้อมไปหานิสรนารนวิเวกแล้วใช่ไหมเพราะทุกขสัตว์เนี่ยน้อมก็คื อ, อมรรคษัตริเนน้อมไปหานิสรนารนวิเวกเป็นอัจฉริยะแล้วฉะนั้นคําว่าน้อมไปหานิสารณวิเวกเป็นอัจฉริยะนั่นเขาน้อมเขาเคือมรรคสัตว์ปฏิบัติถึงนิโรธเนี่ยเป็นมรรคสัตริย์นี้แหละ ตัวมาร์กษัตร์นี้แหละที่เป็นโลกิยะปฏิเวทยานตัวเนี้ยนะในการวิจัยก็น้อมน้อมน้อมน้อมนิโรธาสัจจะโดยอธิยาสัยเห็นคุณของพระเจ้าพระเจ้าตรัสรู้อริยสัจพระเจ้าอนุปาธาปริทิภานแลน้วก็น้อมมีเดินตามอย่างนี้ตรงเผิงเลยใช่ไหมตรงเลยเพราะเนี้ยเห็นก็ใครควรพิจารณ า, าคุณของพระผู้มีพระเจ้าในลักษณะนี้ ยากไหมที่จริงถ้าถ้าเดินไปตามหาลาทั้งหมดเนี่ยโหข่วงจะเดินวิชาการไปเมาม า, มานองดูแล้วหงอยากก็เยอนอยากทั้งผู้กล่าวทั้งผู้ฟังครับมันจะเดินไม่ทัน คือคือจริงๆนะในคําสอ น, นต่างๆถ้าเราใค่ายควรเราพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นคุณของพระผู้มีพระพุทเจ้ามากขึ้นทีนี้การค่ายควรการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะถามว่าอันนี้บ่มเพาะสตินรนะีแล้วก็วินซีสตินินรีสมาติินรีเป็นต้นทีนี้พอการบ่มเพาะมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละเป็นการตั้งอัธยาศัยถามว่า ในคําสอนเนี่ยนะเมื่อเราพิจารณาบ่มเพาะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นอะไรเนี้ยถามว่ากลุ่มของตัณหานี่เป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธากลุ่มโกศ ช, ช้าคือความเหยียดค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและาการไม่กล้าปล่อจิตไปสู่พุทธคุณเป็นต้นหเหล่านี้ยอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อวิรยิยะ กุมมุทัสติความหลงลืมสตินั้นเป็นเป็นปริปักต่อสติกลุ่มวิถีปะกคือความฟุ้งซ่านความลำคาญใจเป็นปริปักต่อสมาธิกลุ่มสัมโมหะทั้งหลายอันนั้นคือความลุ่มหลงในไม่เห็นอริยสัจนั้นเป็นปริปักต่อปัญญาเห็นไหมสัมโมหะอากุศลธรรมเป็นตัวเหล่านี้นะ ปฏิปักษ์กรรมของปัญญาคือสัมโมหะอกุศลได้แก่ความลุ่มหลงความหลงที่จิตหลงในอารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสความมัวเมาเหินจิตความที่จิตไม่สว่างความที่จิตนั้นตกไปสู่ความมืดไม่มีแสงสว่างปกติเนี่ยปัญญาเนะี่ยสามารถกจาจัดสัมโมหะอกุศลได้และปริยัติยานที่ได้จากการศึกษาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากการฟังธรรมเนี่ย สามารถกำจัดสามโมหะกุสนได้แสงสว่างเป็นขั้นตอนก็จะเกิดขึ้นทีนี้บุคคลบางคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยดีจนสามารถออกจากกลุ่มตันหาได้อันนี้มีบางคนในส่วนน้อยนะออกจากตันหาได้เป็นบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่เยื่อใยในในอามิ t h สามประการคือปัจจัยอา m ิ t หือปัจจามิตรอมิตรคือปัจจัยเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเป็นต้นนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยก็คือไม่ไม่ติดในปัจจายมิตรคืออีวอหรือเกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่ติดแล้วก็ไม่ติดใจเกี่ยวกับโลกามิตรใช่ไหมคือเกี่ยวกับในเรื่องของยศเอ่ยเรื่องเรื่องยศย่อมสารเสริญอะไรทั้งหลายเหล่านี้ แล้วก็ไม่ติดใจในอะไรมีปัจจามิตรมีโลกามิตรแล้วก็นีวัตตามิตรนี่อานออกจากวัตตาศรัทธาเ่้ามจริงๆกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ติดใจต่อปัจจัยมิตรกลุ่มที่มีตัณหาเนี่ยนะเออกลุ่มที่ออกจากตัณหากลุ่มที่มีศรัทธานี่นั้นคนที่มีศรัทธาี่พระเจ้าจริงๆเนี่ยเรื่องเอกลักษณ์ไม่ต้อง ไปไปให้เขาแต่บางทีก็ยังชอบยดดียวน่เ <c oughs> พราะโดยการศรัทธาแข็งแรงแต่ตัวอื่นไม่แข็งนะใช่ไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ศรัทธาเขาไม่ติดเลยเขาไม่ติดในลาบส ก, กาลอะไรทั้งหลายฮะเขาบอกว่าเขาสามารถเอาราบแหลกยดเด่พวกนี้ใช่ไหมบางคนเนี่สลาก ม, มากเลยชอบให้ชอบให้ชอบให้เพราะกลุ่มตัณหาพวกนี้เขาไม่ค่อยเยอะนะนะแต่ก็ยังมี อีกกลุ่มหนี่งนี่บุคคลเนี่ยมีศรัทธาและก็มีวิริยะดีเนี่ยนะนั่นแท้ๆอบคอไปกลุ่มที่เขาไม่ติดใจในเกียรติยศในชื่อเสียงแต่เพราะความที่เขายังมีพระธรรมทั้งสี่หรือมีมีอินทรีย์ทั้งสี่อ่อนแออยู่เนี่ยการมีอินทรีย์ทั้งสีอ่อนแอก็คือมีวิริยะอ่อนแอมีอะไรอ่อนแอสติก็อ่อนโอ๊ยสติอ่อนไม่ขยอยาพูด สมาธิอ่อนที่อย่างเรานี้เรียกอ่อนกรบุคคลบางคนเนี่ยนะเพราะความที่เขายังมีพลระราธรามทั้งสี่แน่นอ่อนและยังมีกำลังน้อยอยู่จึงไม่สามารถขึ้นไปสู่ความสำ ด, ดได้ ออกจากสันโดษไม่ได้แต่ออกจากปัจจัยเหล่านี้ได้เพื่อแต่อย่างเราลองคิดดูที่ศรัทธาเราแข็งแรงไหมตอนนี้ออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังใจไม่ติดกับมันเนะี่ยไม่ติดบ้านไม่ติดสามีภรรยาไม่ติดลูกไม่ติดพ่อคือตัณหาประเภทนี้ไม่ไดติดเลยคือใจตึกถึงพุทธคุณได้ชัดสตินซีแข็งแรงตอนนี้ทำได้ยังคือไม่ติดนะ ไม่ใช่ตัดแบบไม่ติดไม่ค่อยอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะตัณหาตรงนี้ถูกศรัทธานี้นขจัดดับแต่ถ้าตัณหามาขมา่มศรัทธาปุ๊บไอ้ตัณหานั้นก็ไปเลยศรัทธาก็อ่อนเรื่องพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ยแต่เรื่องตัณหาเรื่องอะไรต่างๆนี่เร็วเร็วไวๆเนี่ยเข้าใจ ย, ย, ย่างเรนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ว่าโอ้มันจะได้วัดตัวเองแต่ถูก ถ้าไม่มีไม่มีตัวนี้มาสังเกตตัวเองเราจะไม่รู้จักเองตัวเองนะไม่รู้จากตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักขันไม่รู้จักศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่ามันมากมันน้อยและมันควรน่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจตอนนี้น่าไว้ใจไหมไว้ใจได้ยังยังเนาะโอ้โหอ่าว่าต่อไปเดี๋นี้ว่าต่อไปเอาบุคคลมีศรัทธาศรัทธากับวิริยะเนี่ยนะ ดีและสองตัวเริ่มดีแล้ะจนสามารถออกจากกลุ่มตัณหาแล้วออกจากความเกียจค้านได้อย่าลืมน ะ, ละนแล้วคนศรัทธาดีเลิกวิริยะดีเนี่ยไม่เกียดค้านในการเจริญพุทธคุณเป็นต้นในการฟังพระธรรมเป็นต้นขจัดความเกียจค้านนั้นได้ด้วยลุกออกจากความเกียดค้านด้วยอาศัยอยู่ถ้าเป็นพระนี่เนี่ยกลุ่มเหล่านี้ออกจากออกจากความ ออกจากกลุ่มที่ว่าสามารถที่เดินเดี่ยวได้เลยกลุ่มพวกเนี้เพราะตัวตัวตัวศรัทธาดีด้วยแล้ววิริยะดีจริงไหมพอวิริยะนี่เขากําจัดความโกสัทธาคือความเกลียดชังความไม่อดทนความเหนื่เหนื่อยทั้งหลายเนี่ยนะคือความไม่กล้าปล่อยจิตเนี่ยไปสู่การปฏิบัติไม่กล้าปล่อยจิตจิตไปสู่คนเดียวต่างๆเนี่ยความกลัวเลยทั้งหลายเนี่ยถ้าศรัทธามึงเออถ้าศรัทธามากๆยังไม่ได้ต้องวิริยะ กระตุน้นเพราุฒิยะเปียเสร็จมองอีทโทษใช่ไหมมันออกจากการคุกครีอะไรตัวนี้กลุ่มนี้ออกแล้วนะเออไม่ค่อยชอบคุกครีกับหมูนะ่คณะแล้วไม่ค่อยประเภทที่เห็นทุกข์มากอ่ะทุกข์ทุกปรากฏเยอะไปที่ไหนก็เห็นทุกข์เต็ไมไปหมดทุกในอบายบ้างทุกในวัตฏะทุกในอดีตอนาคตเป็นต้ออนอะไรนี้ตลอดถึงทุกข์ที่เป็นไปในปัจจุบันเนี่กลุ่มนี้ยคือศรัทธาบวกบุริยาจะเป็นแบบนี้กเฉลีดด่ยตัวเองแบบนี้เป็นยังไงไหมต่อเนื่องด้วยนะนี่ต่อเนื่องด้วยนะ มั่นคงนะถ้าเป็นกลุ่มออกป่าได้เลยกลุ่มนี้ออกอยู่ชอบอยู่ป่าด้วยไม่ชอบพู้คลียด้วยเพราะศรัทธาท่านดีก็ ว, วิิยาท่าดีแต่ทุกความที่เขายังพลราธามอีกสามตัวอ่อนคือสติสมาธิและปัญญายังมีกําลังน้อยจึงไม่สามารถขึ้นสู่การเจริญสมถะและเจริญวิปัสสนาได้คือเขาเจริญได้ก็ตกเจริญได้ก็ตกนี่นะ ศีลก็ดีนะดีทุตงก็วัดดีนะดีเนี <c> ่ย <oughs> จะเห็นต่อพระในวัดได้ไม่อยากเหมือนอดมาในวัดได้พ่าตัวเองได้ตลอดว่าขาดต้นไหนทต้นไหนนี่เป็นนี้คารวะก็คารวะก็มีข้อบิติอีกอย่างนะอันนี้เอาอุกฤษเอาพระไปตีเทียบก่อนเนาะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวโอ้โหตายละเราจะได้ดิบได้ดีไม่ได้ชาตินี้เลยเนะี่ยจะบอกอีกที ไม่ใช่บอกเองนะพุทธิจารบอกขึ้นมาประมวลนะประมวลจากคำสอนของพุทธิจาร์แล้วก็มาไขร้อนเนี่ยนะบุคคลบางคนก็หมายความว่าศรัทธาเวีย ส, สติเนี่ยแข็งแรงและสามารถที่จะเจริญสติได้สติปัฏฐานมีอน า, าปนานะเป็นต้นเนี่ยได้เจริญพุทธคุณเป็นต้นเลอเนี่ยชัดจนสามารถ เป็นไปได้วง น, นแต่เพราะขาดพราธมอีกสองคือสมาธิและปัญญาไม่สามารถจะขึ้นสู่ญาณคูวิปัสสนาได้เห็นหขึ้นไม่ได้ขึ้นก็นตกขึ้นก็นตกเนี่ยอย่าแปลกใช่ไหมขึ้นก็นตกก็ก็ไ ล, ล่ไปเถอะ ก็ามาพิจารณาเนะีแล้วแล้วตรงจริงนะกลุ่มบางคลเหล่านี้ยให้สังเกตที่สตาวิริยะสตีดีโอชัดเจนมากเลยพวเร็วมากกลุ่มพวกเนี้ยศึกษาพระธรรมเข้าใจเร็วสติก็ดีอ่ะใช่ไหมใครควรพิจารณาพบพบพบอธิบายได้อะไรได้เป็นเสร็จแล้วแต่พอเราทําอีกสองข้อสมาธิและปัญญาอ่อนอนมาอธิบายได้ชัดที่ว่าชัดตรงนี้หมายความอกว่าเราเข้าใจว่าเราอ่อน ไอ้มานี่อ่อนแทบทุกตัวเนี่เลยอ่อนแทบทุกตั ว, น, ตวนี่พูดให้ฟังนะว่าอ่านอนคือคือคือพูดพูดให้ฟังว่าแต่ก็เร่งอยู่ได้เป็นระยะระยะได้เป็นระยะแต่ว่าเรารู้อยู่ท่ารู้มันแก้ได้ถ้าไม่รู้ตัวเองจะแก้ไม่ได้ใช่มหมยะ ตรงนี้ถ้าไปเทียบเพียงนี้ปั๊บเราจะเริ่มรู้แล้วเริ่มจะไข้ควรได้พิจารณาได้แล้ศรัทธาแค่ไหนวิริยะสติเห็นไหมถ้าศรัทธาวิริยะนี่พาคออกได้ไม่ยากถ้าสติเป็ดเสร็จเจริญกรรมฐานแล้วเห็นไหศรัทธาวิริยะสตินี่นะเจริญกายยาคตาสติก็ได้เจริญสติปัฏฐานก็ได้ระลึกพระธรรมแรงจังรวดเร็วมานี่สติดีมากปะปะปะปะเลยระลึกได้แต่สมาถ้าขึ้นสสมาธิให้ใจเป็นสมาธิไม่ค่อยได้เลยเน่ะปัญญามันจะตั้งยังไง วิปัสสนาญาณก็ล้มแผะล้มแผลล้มแผลเข้าสู่ญาณคือวิปัสสนาญาณไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงเป็นอย่างนี้ไหมอา่าใครเป็นแบบนี้บ้างทีนี้พอพิจารณาอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ น, น, น, น, น, นี่จะต้องแก้ไขได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็โอ้อะไรนะประการ่อมาก็คือว่า บุคคลนี้บริบูรณ์สี่ตัวแล้วสตาวิริยะสติสมาธิจนสา ม, มารถบรรลุฌานได้บรรลุได้อยู่อุปจารสมิมาธิก็ได้ง่ายๆเลยอัปปนานไม่ต้องพูดถึงปุธมชาาทุเดียจาร์เนี่นะแต่เขายังขาดตกวสำคัญเลยคือปัญญาคือปัญญ า, ญญามีกำลังน้อยจึงไม่สา ม, มารถขึ้นสู่วิปัสสนา่างได้เห็นไหมมันจะเห็นว่าสตาวิริยะสติสมาธิ ได้แล้วแต่วิปัสนาญาณขึ้นไม่ได้อีกขึ้นบันไดยังไม่ได้นี่เพราะกขาขาดบคุคคลบางคนมีปัญญาดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในในพระปริยัติธรรมชำนาญในปรมัตถธรรมด้วยทีนี้บางคนเนี่ยเอางี้ด น, นะว่าบางคนเนี่ยเขา มีความชำนาญเบ็ดเสร็จเนี่ยพอหลังจากชำนาญเนี่ยนะยานานนยนะสามารถบรรลุเป็นต้นเหล่านั้นได้เนะี่ยแต่เมื่อปัญญาบางคนมีปัญญาพะละหรือปัญญปัญปญีสีเนี่ยเชี่ยวชาญชำนาญในพระปริยัติและชำนาญในปรมัตต์แต่ถ้าเขาขาดนะถ้าเขาขาดกําลังทั้งสามทั้งสี่ที่กล่าวสตาวิริยะสติสมาธิข้างต้นมีกําลังน้อยไม่ใช่ไม่ขาดมีกําลังน้อย จนไม่สามารถออกเดินจากดินแดนแห่งโกศชัไม่สามารถจะออกจากดินแดนของวิเกปะนะไม่สามารถจะเดินออกจากดินแดนของมุทธธัสติและดินแดนแห่งสามโมหะก็จะตายอยู่ในดินแดนของตัณหาเป็นต้นนั่นแหละกลุ่มนี้ก็ออกไม่ได้แต่ถ้าหากว่ากลุ่มพลธรรมหรือกลุ่มปั ญ, ญินรียิอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้บริบูรณ์ไม่บกพร่อง เขาสามารถจะ บ, บรรลุแล้วก็ข้ามปฏิปทาธรรมไปด้วยได้ใช่ไหมเออเราก็จะมองเห็นเลยแต่นี้ว่ากลับไปก็ไปซ่อมตัวไหนที่ชำรุดใช่ไหมตัวไหนที่ชำรุดใช่ไหมตัวไหนชำรุดก็ไปซ่อมเสียโดยการให้อาหารเนี่ยต้องไปถ้าเดินอินทรีย์มาเรียนกันก็เป็นเรื่องเลย ก็มาซ่อมยังไงใครควรยังไงพิจารณาแต่อันดับก็คือว่าที่เราทํากันอยู่ก็คือการฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยมันได้ทุกทุกอินทรีย์ได้ทุกปัจจัยในการที่บ่มเพาะใช่ไหมการต่อเนื่องยังไงใครควรยังไงเนี่ยในลักษณนะอย่างนี้ก็คือกล่าวตรงเนี้ยทีนี้ถ้ามาพิจารณ า, ามาเคยยกตัวอย่างหลายๆท่านที่เคยยกแล้วก็เคยยกบอกว่า เราเนี่ยด้วยการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เลี้ยงอินทรีย์ไม่ได้เลี้ยงภาระห้ามาอย่างถูกต้องอย่างยาวนานด้วยโดยเฉพาะในปัจจุบันอภพเนี่ยท่านเจ้อุปมาไงอินทรีย์ห้าก็ดีภระทั้งห้าก็ดีมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยศรัทธาเป็นปฏิปักษต่อตันหาวิริยะเป็นปฏิปักษต่อโกศ ช, ชา้า สติเป็นปฏิบัติต่อมุทัสติการหลงลืมสติแล้วก็สมาธิเป็นปฏิปัติต่อวิเขปัญญาความฟุ้งซ่านปัญญาก็เป็นปฏิปัติต่อกลุ่มสัมโมหะคือความหลงใช่ไหมทีนี้ถ้าสัทธาวิริยาสติสมาธิมันอ่อนใช่ไหมถ้ามันอ่อนเนี่ยแปลว่าเราเลี้ยงเขาไม่ดีท่านยังอุปมาว่าวัวเนี่ยสัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะ ท่านอุปมาเหมือนวัวลูกวัวอุสุภะลูกวัวอุสุภะก็แปลว่ากระแสของขันเหล่านี้สัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเขาได้สภาวะปัจจัยที่เป็นสาชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นที่สามารถที่จะเกื้อนหนุนเขาให้เขามีกำลังเพียงพอ เขาจะกลายเป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แข็งแรงสามารถยืนพังงาดเป็นปฏิปักษ์ต่อตันหาเป็นปฏิปักษ์ต่อความเกลียดค้านเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงลืมสติเป็นปฏิปกัลลปปปกษ์ต่อความฟุ้งซ่านเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงได้อย่างชัดเจนและตันหาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตันหาก็ดีไม่ว่าจะความเกลียดค้านหรือความหลงลืมสติความฟุ้งซ่านตลอดถึงความหลงทั้งหลายมียวิชาเป็นตัวเหล่านี้ จะไม่สามารถกล้ำกลายเข้าสู่กระแสของนามขันทําให้รูปธรรมก็ต้องเสื่อมเสียได้เลยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ยืนพังอาดได้แล้วก็สามารถจะป้องกันโรคคือราค่าโทสศโมหาได้อย่างอย่างชนิดที่ขั้นถึงอุปมาว่าวัวอุสุภาตามธรรมดาวัวอุสุภาเนี่ยถ้าใครเอามาเลี้ยงเขาไว้เนี่ยถ้าได้วัวอุสุภาเอามาเลี้ยงเขาไว้เนี่ยมันกําจัดโรคภัยไข้เจ็บให้ให ให้บุคคลตั้งเจ็ดแปดตระกูลแล้วมันมีกำลังดีด้วยโคนันทิวิสารลาดเวียนในห้าร้อยเดเวียนพันเรื่องเวียนนั่นแหละโคอุสุภะนั่นแหละวัวอุสุภะทีนี้สัทธาวิริยาสติสมาธิเนี่ยหรือมักแปดเป็นต้นเหล่านี้เขาเป็นพันของอุสุภะพันของเขาเป็นพันมาดี แต่ผู้เลี้ยงเนี่ยไม่เข้าใจเลี้ยงพอได้วัวมาแล้วได้ลูกวัวมาแล้วเนี่ยก็เอามาเลี้ยงแบบธรรมดาให้อาหารธรรมดาวัวมันอยู่ยังไงอยู่ในคอกมันไปอยู่ในคอกแล้วก็ไม่แยกออกจากฝูงไม่แยกมันออกมาด้วยเอาไปอยู่กับวัวธรรมดาเอาไปอยู่กับวัวเนื้อวัวนมงูงูวัวฆ่า วัวที่เขาส่งโรงงานทั้งหลายเราไม่เอามาเลี้ยงให้ดีๆใช่ไหมถ้าเราต้องมาเลี้ยงว่าเรากินยังไงก็เลี้ยงอย่างนั้นแลนอนยังไงก็เลี้ยงอย่างนั้นเราบริโภคอย่างไงเราใช้ใจ่ายเรานั่นยังไงก็หมายความว่าเราดูแลรูกประคันยังไงดูแลเขาอย่างนั้นใช่ไหมนมามธรรมอ่ะพวกสัท ธ, ธาวิยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยอันนี้รูกประธรรมเราดูแลเขาอย่างดีเลยอ่ะ ทุกเวลามันจะเจ็บจะป่วยเนี่ยก็ดูแลมันบังคับประหมมมันเอายามา น, นวดมันเอาน้ํามันมันนั่นตกแต่งอย่างดิเคยคิดตกแต่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไหมอะมองเห็นได้ยังนี่มันพลาดมานานแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแปลว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างดีมันก็เลยกลายเป็นวัวที่ไม่ได้เรื่องเลย ต้องดูที่ป่านี้มันพร้อมกัะลองหมดแล้วมั้งเั้ามาศรัทธาปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นผู้เป็นคนกับเขาไปเนี่ยเจ้ามากลับไปดูกลับไปใไขควนไปพิจารณาดูเจ้ามาองไปดูที่ว่าเออมันเป็นยังไงได้มาใไขควนพิจารณาใหม่จะไม่ยช่พอมาดูไปพิจารณาต่างๆเราจะได้ถ้าเราเลี้ยงมันดีเบียเศษนะในที่สุดจริงๆมันกําจัดโลกร้ได้ สถาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้ามันแข็งแรงขึ้นหน่อยมันกำจัดพิษได้คือราคาโทสาโมหะเข้ามากระแสนํามาทำไม่ได้มันป้องการเองมันป้องกันเองถ้มันแข็งแรงไงใช่ไหมเพราะสภาพของ ม, มันเนี่ยโอ้ยกลุ่มโรคทั้งหลายคือราคาโทสาโมหะกลัวเขาตอนนี้ไม่กลัวแล้วมาดูก็หัวร้อนเลย ไ อ, อยาวัวตัวนี้ตายแล้วเมื่อมีแรงเงนนอนหายใจเขาแมวเขาแมวจะตายแล้วเพราะมันเลี้ยงโดยรูปขันเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยโอ้ยเลี้ยงอย่างดีเล้วจะเจ็บจะป่วยอะไแต่ตอนี้กูอ้ยประคับประงมประคองมันเหลือเกินใช่ไหมดูแลอย่างดีไปหาหมอชี้ยาให้ยาบํารุงเลยก็รึแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีไหมที่เขาเขียนใช่ไฮะ รับให้อาหารศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็มีจากการดูแลใช่ลูกแค่ น, นั้นก็ด้วยเกี่ยวกับก็ดูแลผมดูแลขนเล็บฟันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมีแต็มไมหมดละไปดูไปตรง น, นั้นเเมื่อก่อนก็ไปที่อุบลอุบลมีอำเภอชื่ออำเภอวานนวานนชำลาบเรียกวานนเลยวานนนิวา ใหญ่เลยอำเภอวานอนวานอนนิวาสไปวานอนก็คือลิงนิวาสก็คือที่อยู่อำเภอที่ตั้งแต่อำเภอวานอนนิวาสแล้วพอบอกอำเภอวานอนนิวาสนิวาสนี่นะห ล, ล, ลายๆเรื่อต่างๆก็ตั้งมันก็ตั้งไปตามอำเภอใช่ไหมวานอนโพชนาวานอนเกศาไอ้อว่าอะไวานวานอนบาเบอร์อะไรก็ตั้งนึกอเหนื่อยใจพอยก็ไป มัที่ตัดผมลิงนึกจะแยกพักแล้วที่กินอาหารล้งลิงลแล้วกว่าไปเราก็ไม่เย็นงั้นแต่แม่เขาก็ไม่คิดอะไรกันนะว่านอนนี่ว่าที่อยู่บ้งลิงอันนั้นก็เรื่องของศัตรูแต่เขาอัดถามไม่ใช่แต่ก็คือคิดให้มันคิดให้มันเป็นตามพยานฉันแต่ในที่นี้ก็คือว่าพูดให้เห็นว่าอย่งที่ได้กล่าวบอกว่าเขาบอกวัวเอาสุพายตัวเดียวเนี่ยก็ มีราคามากกวัวธรรมดาพันเท่าหมูลไดาบุคคลที่รู้ลักษณะของวัวอุตสายอย่างดีก็ต้องหามาเลี้ยงถ้าโตมีกําลังและมีฤทธิดเดชมากรักษาฝูงวัวเป็นร้อยไม่สิงโตเสือดาแล้วก็เสือเหลืองก็ามาใกล้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันพยายนันตรายต่างๆใน้นได้นะโรคต่างๆในี่ยนของฝูงวัวที่เป็นบริวารเนี่ยเรายังสามารถป้องกันโรคภัยแค่เจ็บให้กําลือได้ทั้งบ้านทเจ็ดหลังนะเดือนรอบทั้งทิศตะวันออกตะวันตกที่เหนือที่ใต้นี่นะ กำลังลากเกือนในห้าร้เดิมเกือนที่เราเรียนกันมาเนี่ยั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเอามันไปเทียมกับหรือไปเทียบกับวัวตัวอื่นในการไถในการหวานเป็นตัวเหล่านี้เพราะเห็ุนั้นนี่ยถ้าเราไปเอามันไปอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไปเสร็จไปอยู่ปนมันก็กลายเป็นวัวธรรมดากลายเป็นวัวธรรมดาไปฉะนั้นศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่ที่เราไม่รู้จัก ในการที่จะทำนุบำรุงมันในส่วนจริงเนี่ยเขากว่าก็เป็นอย่างนั้นเจ้าของเนี่ยเราในในฐานะเป็นเจ้าของ เ, เราได้สัทธาวิริยสถิตมาที่ปัญญามาแล้วถามว่าถ้าเป็นกลุ่มเนยญาบุคคลเอาอย่างเงี้นะสมมุติถ้าจะได้เนยญาบกับเขาบ้างนีดนะเอาสมมุติเราเป็นเนยญาบุคคลกับขเขานี้เหมือนวัวอุสภาจริงๆแล้วถ้าเจ้าของวัวนำมันไปเลี้ยงเลี้ยงยังไงดี ก็คือว่าเอามาศึกษาเข้ามาเอาเลยสติปัฏฐานเข้ามาหาอย่างนะให้อาหารพวกนี้เขาเข้าไปสิให้เขามานั่งวิจัยสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอธิบาทอินทรพละพ่อชงอริยมรรลองวิจัยเนี่ยเอาพระตคุณมาเอาตรงนี้ให้ให้เขาให้เขาได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมมากๆดูสินี่เขาเลี้ยงเป็นใช่ไหมนะเข้านะเข้าโหเขา เต็มที่เลยวัวตัวเนี้ยสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมแล้วบ่มเพอถูกต้องด้วยอะไรที่เป็นพิษกันเเข้ามาเช่นไปเสพเอ า, เอาไม่เอาเรียนถูกแค่ครึ่งไปเรียนผิดอย่างเงี้ยนะเรียนเขาถ้าทำครึ่งหนึ่งแอบปัญญาพิษฉีดให้มันเลยแล้พักนึ่งเมย์แกลนแกรนไปติดแล้วเข้าใจยังเนี่ยก็นี่มันไม่ถูกเนี่ยเนยยะนั้นที่ไม่เลี้ยงดูสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้ว ก็หมายความว่าอย่างเนี้มันจะเป็นสรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์โดยลักษณะมีฤทธิ์เมียอำนาจเนะมีฤทธิ์มียอำนาจเป็นต้นได้ก็คือให้ดูเลี้ยงดูก็คือเอาในนั่นแหละถ้าหาสติปัฏฐานก็ต้องมาครบเลยนะสติปัฏฐานในเอาส ม, มปัฏฐานเออสติปัฏฐานในปัปตตะไรปีดอกเอามาในทีคณิกายเอามาในมะชิมนิกายมาในวิพังกปรปกรณ์ก็เอามาเงี้ยให้เขาโอ้โหได้ดื่มด่ำสติปัฏฐานอย่างนี้ยนะใช่ไหม ลองคิดดูดิเขาวิจัยกระจุยหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาได้อาหารได้ปัจจัยเขาจะย่งังใช่ไหมเหมือนตกแต่งเขาอ่ะเหมือนไปตกแต่งเขาให้เขาได้ปัจจัยอุดหนุนต่อเนื่องนี่ฟังเอาที่แล้วก็แ้วก็เขาจะให้อาหารให้อาหารศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาพอทําฟังแล้วเกิดโยนิสงสนาสิกานีใช่ไหมเกระโยนิสงสนาสิการนีโยนิสมสนาสิการีแล้วตอนนั้นเราเว้นนี่ ลราเว้นคนพ่านเว้นคนไม่มีศรัทธาเว้นคนไม่มีสติเว้นคนไม่มีสมาธิเว้นคนมีปัญญาหมดเลยนะในงาไหนที่ฟังทำเนี่ยโอ้โเราให้อาหารก็เจอหน้ากันกับคุณให้อาหารวัวคุณนี่ยังถามกันอย่างเงี้ยจะมาให้อาหารวัวหรือยังบอกว่าเป็นยังไงลูกวัวอุศภาพร้อมกระลองแล้วมั้งไม่ยอมให้แลยใช่ไหม เลี้ยงมัววันวันก็มัวแต่เลี้ยงรู ป, ปรขั้นอยู่นั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะนโยมายก็คือว่าเนยยะบุคคลที่ไม่เลี้ยงดูสตาวิเรศสติสมาธิปัญญาเนี่ยคือเอาไปใช้ในงานที่ไม่เหมาะเอาไปใช้ในงานที่ไม่เหมาะคือพอพอเสกคุณอาหารก็อย่างดีเสร็จนะ เอาไปแ้งานตดำๆงานดำๆงานดำๆก็ขึ้นั่นแหละไปประกอบอาชีพการงานอะไรต่างเนี่ยไปมัววุ่นอยู่เลยตรงนั้นไงแทนที่จะมาวิจัยงานที่ให้เหมาะสมกับกำลังของเขาใช่ไหมอย่าลืมนะว่าถ้าให้อาหารคือสตาวิริยาสติสมาธิปัญญาแล้วไปใช้ในงานดำๆก็เนี่ยเขาไม่เขาไม่ดีใจเลย เขาไม่ดีใจเลยไม่บอกกับกําลังเขาเหมือนพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมเวลาพิจารณาคมภีร์อื่นก็ธรรมดาพอพิจารณาปัฏฐานแล้วโหวผ่องเลยเนี่ยนะเนี่ยเวลาถ้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นเจ้าเหล่านี้นะบอกว่าถ้าไปใช้ในกิจงานงานต่างๆเนี่ยย่อมเป็นเหมือนกับเจ้าของที่ไม่ฉลาในการเลี้ยงดูวัวสุภาพ เพราะความที่ตอนเป็นผู้ไม่รู้จักรักษณะดของวัวเป็นผู้ยินดีเฉพาะในการงานต่างในการไถในการฆ่าเป็นต้นบางคนก็อยู่แค่นั้นจริงๆนะบางคนก็อยู่แค่นั้นเนชะ่นเราได้วัวมาแล้วเราก็แค่ไปไถไปฆ่าแท้จริงมีประโยชน์ถึเงเยอะใช่ไหมเป็รทุกเกลียนได้ทั้งห้าร้อยเรื่มเกลียนก็ไม่เอาไปทำงานตัวนั้นตองคิดดูที่นี่เขาเรียกเจ้าของไม่ฉลา นันเราเลี้ยงเลี้ยงสัทธาเลี้ยงสติสมาธิปัญญาก็ต้องชลาดในการที่เอาวิจัยใช่ไหมพอวิจัย เ, เสร็จเส็จแล้วเขาเขาเขามีกําลังเขาก็จะสามารถบรรลุผลที่ควรบรรลุได้เขาท่านก็อุปมาทางโลกเขาไว้บอกว่าบอกว่าถ้าหากว่าในการทํางานนีการทํานาทําไร่การค้าขายหรือการประกอบอาชีพการงานในทางโลกเนี่ยก็ต้องแสวงหาทรัพย์เนี่ยด้วยกําลังของปัญญา ทีนการสแสวงหานั้นนะน ะ, นะถ้าสําเร็จสามารถสแสวงหาสําเร็จเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะในที่สุดจริงๆนั้นเขาเขถึงความสําเร็จในชีวิตเป็นต้นได้ในศาสนาในศาสนานั้นเราก็การที่เราจะเข้ามาสู่ในศาสนาก็ต้องเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาใช่ไหมเมื่อจเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะบรลุ ผลตามที่ได้ไ ด, ได้ได้บ่งเพาะมาเป็นต้นได้ทีนี้ก็บอกว่าถ้าหากในกรณีที่บอกว่าโรคเนี่ยนะเขาพูดถึงเรื่องของโรคเรื้อนโรค อ, อะไรต่างๆเหล่าเนี้นะที่มันเกิดขึ้นในกระแสของรูปธรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยถามว่าเรามาพิจารณาถึงตัณหาซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติต่อศรัทธาเนี่ยนะโกศะเป็นธรรมปฏิบัติต่อวิริยะ มุทัศติคือความหลงลืมสติเป็นปฏิบัติต่อสติวิเขปาก็คือความบุ้งสร้างเป็นปฏิบัติตรสมาธิสัมโมหะคือกลุ่มความหลงทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันกันกบโรคเหมือนคนบางคนเนี่ยเป็นโรคเรือนโรคมังค้อโรคลมบ้าหมูเนี่ยนะมีอะไรบ้างโรคอะไรบ้างที่สวดได้มาจะลืมลืมเลยเนะี่ยสาโสกีลาโสโสโ ส, โสอัปมาโรเนี่ยนะ เนี่ยสุดโรคห้าโรคเนี่ยว่าเหมือนกลุ่มเนี่ยกลุ่มของตันหากลุ่มของความเกียดค้ากลุ่มของมิจฉาสติกลุ่มของความพุ่งสร้างกลุ่มของอวิชชาเนี่ยก็เหมือนโรคไอโรคเหล่านี้ยเป็นโรคที่ทําให้สมถะหรือวิปัสนาไม่เจริญไม่เจริญหรือเป็นโรคที่มาคอยบั่นทอนทําให้ศรัทธาวิริยสติสมาธินั้นเนี่ย ไม่มีกำลังหรือในสีสุดสุดทีนี้สติปัฏฐานเป็นต้นเราเนี้ยนะสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พลราพุทชงเนี่ยเหมือนยาใช่ไหมเหมือนยารักษาโรคแล้วก็เป็นยาเพิ่มสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหเหมือนอย่างนั้นแหละแล้วก็มาพิจารณาวโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยความรู้ในสติปัฏฐานของเรามันไม่ชัด สมรภูิฐานปฏิบัติเอ็นซีพลาสเป็นตัวนั้นไม่ชัดมันก็เลยเป็นปัจจัยทําให้เรานั้นไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแล้วก็ไม่รู้แจ้งในธรรมที่กว่าให้รู้แจ้งใช่ไหม เ, ออเข้าถึงโสดาปฏิมา ก, ก็ยังไม่ได้เข้าถึงบรรลุโสดาปฏิผลก็ยังไม่ได้บรรลุแจ้งนิพพานของโสดาปฏิผลก็ยังไม่ไม่ได้ทำให้แจ้งนิพพานของโซดาแบนใช่ไหม ยังไม่บรรลุในทางที่ยังไม่บรรลุเลยคือมาร์กใช่ไหมยังไม่ยังไม่เข้าถึงเข้าถึงก็คือยังไม่เข้าถึงมาร์กยังไม่บรรลุผลยังไม่ได้ทำให้แจ้งซึงพานิพานสักของทั้งสี่พวกยังไม่ได้เลยอ้กอเกเพราะเรื่องสตาวิริยาสติสมาธิอ่อนเองเพราะขาดใช่ไหมขาดการเลี้ยงดูขาดการดูแลขาดการอดใจใส่เรา เราพลาดตรงที่เราป ล, ล่อยฝาละเลยมันคงพอพื้นไหวใช่ไหมต้องไหวใช่ไหมจ้พอพื้นก็มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติถ้าไม่ถามอะไรเบรกกันนะพักนี้